สัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิจิชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกขเวทนามานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิจิชนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์มานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง และ ว, วิจิจิชนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องม า, านานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและวิจิจิชนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิวิจิจิชนุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ วิจิกิจฉานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตถุวิจิกิจฉานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุใสก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุใสของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุ มานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานวุัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสองในกวามมาตทเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง แต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง อาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในทุกเวทนามานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในจภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์มานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง มานานุสายของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปติอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ห้าสบเก้าอนุทิฏฐานุสายของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิชานุสายของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ วิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุ วิจิกิจชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ภาะวะราคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกรรมาธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์วิจิกิจชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่<ค>ทนั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจชานุสัยของอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง ปติเพราะว่าราคาหนุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกรามธาตุเพราว่าราคาหนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเฉาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุ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 เอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องวิธีกิจชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่60สอนุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสาในกามธาตุ เพะวราคานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อวิชานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ภาวะราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของอรหันต์บุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิ อวิชานุสใสของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่เอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะในหกสิบสองอนุกามราคานุสัยและปฏิคานุใสของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องมานานุใสของบุคคลนั้นในที <at>? <|hi|> ่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิ บุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุการมารากานุสายและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสายไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตถุการมารากานุสายและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสายก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในคามธ า, าตุ และในรูปธาตุอารูปธาตุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่มินับเนื่องในวัตะทุกการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องการมรา k a ุสัยและปฏิคานุสัยของอรหันตบุคคล ในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปาติมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในทุกขเวทนามานานุสัยและการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในสภาวะธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์มานานวุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของอรหันตบุคคลในภูม well, ิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัย วิจิกริชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่วิจิกริชนุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง และวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของบุคคลสองจำพวกในภูมิทั้งหมดปฏิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราค า, านุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยและการมราคานุสัยของบุคคลเหเล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง แต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามัทท์วิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมาคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุอารูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง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 แต่เพราะว่าราคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่มีนับเนื่องในวัตทุการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและเพราะว่าราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคายมีบุคคลในรูปธาตุและอรูปธาตุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสามในกามมาทาะและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องข้องอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดปฏิภาวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหม บุคคลสามจำพวกในทุกเวทนาเพราะวราคานุสัยและการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมธาตุเพราะวราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตถุ เพราะว่าราคานุัสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมาราคานุัสและปฏิคานุัสก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดอนุการมาราคานุัสและปฏิคานุัสของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุัสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรู ป, ปธาตุและอรู ป, ปธาตุ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 การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่อาวิชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั yes. ้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ทุกกะมูลกะในจบติกกะมูลกะในหกสิบสองอนุการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกริชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิ วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช mm. ่นอนเนื่องกรรมราคะนุัยปฏิคานุัยและมานานุัสของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกเวทนาวิจิกิจฉานุัยกรรมราคานุัยและมานานุัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรมธาตุ วิจิกิจชานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคลนนนนาาคาลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจชานุสัยการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ม่นับเนื่องในวัตุ วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสยัยปฏิคานุสยัยและมา น, นานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอน า, าคามีบุคคลในเวทนาสองในกามทาธและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยการมราคานุสยัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มา น, นานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกปเวทนา และในสภาวะธรรมที่มีนับหนึ่งในวตัตทุข์วิจีกิจชานุใสของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุสยัปสยปฏิคานุสยัยและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดอนุการมราคานุสยัยปฏิคานุสยัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะวาราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ ปติ i, เพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปามราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจ้าพวกในทุกขเวทนาเพราะว่าราคานุใสปามราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ เพราะว่าราคานุใสและปฏิคานุัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การเมราคานุใสและมานานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกเพราะว่าราคานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุใสปฏิคานุัยและมานานุัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกรมธาตุ ภาวะราคานุใสกามราคานุใสและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานนุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุข์ภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานนุใสว่าไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดอนุ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 และทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในท ci ุกขเวทนาวิจิกิจชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่ har, <okay. fim. S 2> นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏตติคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในคามมาตควิจิกิจชานุสัยปฏตติคานุสัย และทิฏฐานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุส pues. nope. <h iser> ัยและมานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิจิชนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์วิจิจิชนุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบ right, ุคคลในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัตตทุก์ วิจิกิจชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจชานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำลังนอนเนื่องกามราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานนุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องจะตุกะมูลกะในจบปัจจกะมูลกะใน ๖๔อนุการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุัสทิฏฐานุัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องภาวาราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปติภาวาราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุัยปฏิคานุัสมานานุสัยทิฏฐานุัย และวิจิกิจชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในทุกเวทนาเพราะว่าราคานุสยัยการมราคานุสยัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสยัยทิฐานุสยัยและวิจิกิจชานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามมทาค ภาวราคานุสัยและปฏิภานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่การมราคานุใสมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึงในวัตทุข์ภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องและการมราคานุสัยปฏิภานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนาภาวะราคานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏตติคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในขามัทธาภาวะราคานุสัยปฏติคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยและมานานุใสไม่ใช <the> <the> ่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ภาวะราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิกิกิจชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกรามธาตุภาวะราคานุสัยกามราคานุใสปฏิคานุสัยทิฐานุสัย และวิชิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องไดมา น, นานุใสไม่ใช่ไม่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุใสปัตตุรานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องของอรหันต์ บ, บุคคลในภูมิทั้งหมด ปั้จกะมูลกระในจบฉากกะมูลกระในหกสิห้าอนุปามราคานุใสปัตตุรานุใสามานานุสยัยทิฏฐานุสยัยวิจิกิจานุสยัยและภวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องอาวิชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในทุกขเวทนาปามราคานุใสปัตตุรานุสยัย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 การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยของอรหันตบุคคลในภูมิทั้งหมดไม่ใช่นอนเนื่องและอวิชานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องการมรรคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัย และราวะราคานุสสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ชากะมูลกะในจบปฏิโลมในอนุสยยวาระจบอนุสยยวาระจบ สิวราระอนุโลมบุคคลเอกโมลกะในหกส6บอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือการมราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ใชปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือการมราคานุสัยใช่ไหมวิใช่ใชอนุ บุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสามจียพวกยังมีอนุสัยคือมานานุสัย แล้วก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยแล้วก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัย ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัย บุคคลนั well. ้นก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยหสิบเจอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหม วิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยเคยมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยเคยปฏิคานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยเคยมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุส claro ัยเคอปฏิคานุสัยบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยเคยมานานุสัยและก็ยังมีอนุสัยเคยปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยเคอปฏิคานุสัย บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกยังมีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนยังมีอนุสัยคือปฏิฆานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยปติบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัย บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช pues. u, ่อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ย e ังมีอน er. ุสัยคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัย แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัยบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือปฏิคานุสัย68อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคือมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัย บุคคลผู้เป็นปุต equality, or mesan, or or <right> ปุชนยังมีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยปฏิบุคคลใดย hey. ังมีอนุส right. ัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิ White. ใช่หกสิบเก้าอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือวิจิตจฉานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิตจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยใช่ไหมวิใช่เจ็ดสิบ อนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบคุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตุชน ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยเจ็สิบออนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือภาวราคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภาวะราคานุสัยใช่ไหมวิใช่เอกะโมระกะในจบ ทุกกะโมลกะในเจิบสองอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือคามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือมานานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือคามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคือมานานุสัย แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคือมานานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัยวิจิจิชนุสัยใช่ไหมวิ บุคคลสองจำพวกยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุถุชนยังมีอนุสัยคือกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิใช่ อนุบ exactly. ุคคลใดยังมีอนุสัยค uh, ือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอ mm นุสัยคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิพนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัย แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยทุกกะมูลกะในจบเต็กกะมูลกะในเจสอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตุชนยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัยปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจฉานุสัย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 บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลสามจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยติกะมูลกะในจก I i> เจตุกะมูลกะในเจสิบสอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคือวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยใช่ไหม วิใช่จะตุกะมูลกะในจบปัญจกะมูลกะในเจ็ดสิห้าอนุบุคคลใดยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือภวราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัย บุคคลนั้นก็ยังมีอนุสัยคือการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุส right? ัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและมานานุส um ัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุส evet ัยคือการมาราคานุส uh ัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลสองจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัย การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยและวิชิกิจชานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตุชนยังมีอนุใสคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสใสคือการมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุสัยทิฐานุสัยและวิชิกิจชานุสัยปัญจกามุลกะในจบฉักกามุลกะในเจ็ดสิบหอนุ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 และภวราคานุสัยใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยมานานุสัยและภวราคานุสัยแต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือกลามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลสองจำพวกยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยคลัมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและภวราคานุสัย แต่ไม่ใช่ยังมีอนุสัยคือทิฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยบุคคลผู้เป็นปุตชชนยังมีอนุสัยคืออวิชานุสัยและก็ยังมีอนุสัยคือกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวราคานุสัยชักกะโมลกะในจบ